ปัญญาเพียงดังปราศาเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศได้นักปราชญเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนผ่านผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้นสามารถบรรเทาได้ด้วยความไม่ประมาท คือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ําเก่าอันคุณออกแล้วใส่น้ําใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทําได้แล้วไม่ให้เสื่อมลงไปอีกจีดการความประมาทที่ห่างไปแล้วไม่ให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบขอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงสรงดุจปราศาสตร์ กล่าวคือที่ประจักษ์สุขอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจากพบอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาทมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพระาดพาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้ว มองเห็นความสุขและความทุกอย่างโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอัไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราชญ์เช่นนั้นย่อมองเห็นคนผานเป็นผู้นาสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธบาทสิกนีพระศัสดาตรัสเพราะปรารบพระมหากัสสปะเถระมีเรื่องดังนี้ เรื่องพระมหากัสสปะเถระพระศาสดาสเสด็จประทับอยู่ที่เชจวมนารามพระมหากัสสกอยู่ประจำที่ปิดพริคูหากรงราชเกลืชาววันหนึ่งออกปินทบาตในกรงราชเกลืกลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกะักะสินคือกําหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้าง เกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ําและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิฏฐิจักสุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชจวนารามทรงตรวจดูด้วยทิฏฐิจักสุเหมือนกันว่าวันนี้กส ป, ปะบูดของเราอยู่ด้วยทําอะไรหนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากส ป, ปะการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กําหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย มิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสจปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น